นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทธะอะตโนจโทยตานังติมัสสะธรมะปริยยัตสะ อัตโทสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโมโซตโบตี <c oughs> นาบนีอัตมาจะได้แสดงธรรมเอกถาพันลนาคำสอนขององค์สมเด็จและสมหาสัมพุทธ เ, ทเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องปรับับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ ความฉลาดของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันการแสดงพระธรรมเทศนานั้นถือว่าเป็นธรรมัสวันะใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหรือเหีกว่าบุญสำเร็จด้วยการฟังซึ่งธรรมผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญ ทำไมจึงได้บุญเพราะว่าการฟังนั้นทำให้จิตใจเยือกเย็นการแสดงนั้นต้องตั้งใจให้ดีจึงจะแสดงได้เพราะฉะนั้นบุญจึงเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญบุญนั้นคืออะไร บุญนั้นคือสิ่งทำให้สำเร็จประโยชน์สิ่งใดที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวของเราชื่อว่าบุญบุญคือความดีอย่างหนึ่งอำนวยประโยชน์ในทางดีเมื่อเราต้องการสิ่งใดนั้นไม่มีบุญเราก็ไม่ได้แต่เมื่อเรามีบุญเราก็ได้คนเราเกิดขึ้นมานี้ แข่งเรี่ยวแขงแรงพอแข่งได้แต่จะมาแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ทำบุญไวมากก็ได้สิ่งที่ตนต้องการหรือเลีอกว่าสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยประโยชด์ให้แก่ตัวของเราเป็นส่วนดีนั้นมากใครทำบุญไวน้อยก็ได้รับประโยชน์อำนวยประโยชด์ได้น้อย เมื่อเป็นเช่นนั้นบุญจึงต้องพากันทำให้มากเพราะการทำให้มากนั้นรวมตัวขัน้นกันเข้าแล้วสามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้สามารถเป็นเศรษฐีขหะบดีได้สามารถปรารถนาสิ่งใดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องเลือก คือเลือกเอาว่าเราจะทําบุญอย่างไรวันนี้เราจะทําอะไรวันต่อไปเราจะทําอะไรเกี่ยวกับบุญบุญนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีเงินแล้วจึงจะทําบุญได้มีร่างกายกับใจก็ทําบุญได้อย่างเรารักษาศีลอย่างนี้ศีนก็ถือว่าเป็นบุญ เรารักษาศีลแปดอย่างนี้ก็เป็นบุญผู้รักษาศีลสิบสองร้ยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าเป็นบุญเรียกว่าเรากำลังทำบุญอย่างพระบวชมานับตั้งแต่ยติจะติดเทกรรมเสร็จท่านก็ได้บุญแล้วแล้วอยู่ต่อไปกี่ปีก็ได้บุญอีกมากอย่างท่านทั้งหลายญาตยิยอมพากันรักษาศีลห้า วันนี้ก็รักษาเมื่อวันก่อนก็รักษาเมื่อปีก่อนก็รักษามาถึงวันนี้ก็ยังรักษาอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญบุญมากสินนั้นแม้จะมีเล็กน้อยแต่ถ้าทำให้มากอานนี้สองบุญก็มากถ้าเราอยู่บ้านเปล่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรเรานึกพุโทโธคำหนึ่งสองคำร้อยคำพันคำ นั่นก็เรียกว่าบุญเรียกว่าภาวนามหมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาอย่างเรารักษาศีลเนี่ถือว่าเป็นศีลใหมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลอย่างเราพากันสวดมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาไหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเราจะทำวัดเชา้าเราจะทำวัดเย็น หรือเราจะนั่งสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณอย่างที่เราพากันบวชชีประจำปีทุกๆปีนั่นเราก็สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปนโนทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละคือตัวบุญบางคนยังคิดว่าแคบวชชีวัธรรมมงคลสวดอิติปิโสท่าเดียว แต่เราต้องการบุญเนี่ในเมื่อเราสละมาแล้วกิจการบ้านเรือนเรามาบวชสามวันสามคืนแม้กะต้องสวดทั้งสามวันสามคืนเอาบุญไปให้ได้ท่านทั้งหลายต่างคนต่างพากันมาบวชแล้วกลับคืนไปดีอกดีใจชื่นอกชื่นใจเพราะอะไรเพราะว่า นับตั้งแต่มาถึงจนกรท่านกลับอิธิพิโสตะพิตะพืเลยเรียกว่าเอาบุญกันทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องให้เสียเวลาแม้แต่น้อยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราถ้ากันนั่งอยู่เขาก็สวดเราก็ฟังคนสวดก็ได้บุญคนฟังก็ได้บุญี่เรียกว่าว่ากันถึงเรื่องบุญ วันนี้พูดกันถึงเรื่องบุญเอากันให้เต็มที่ว่ามันอะไรนะมันเป็นบุญกันนักยอมมาถว า, ายอาหารบิณฑบาตแก่พระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นบุญนะยอมตักบาตรทุกวันทุกวันก็เป็นบุญนะยอมรักษาศีลห้าอยู่ทุกวันทุกวันก็เป็นบุญนะยอมบริจาคทานอา้าวมีเงินมีทองมีข้าวมีของบริจาค ทำศรัทธาถวายพระมหาเจดีย์บ้างสร้างวัดวาอารามบ้างถวายอาหารบินเทบาทบ้างเรียกว่าเป็นบุญทั้งหมดในที่สุดถ้าเรานอนหลับไปนึกพุทโธจงกระทั่งหลับก็เรียกว่าหลับด้วยบุญเติมขึ้นมานึกพุทโธอีกก็เรียกว่าตื่นขึ้นมาเอาบุญ ตั้งแต่ยังไม่ต้องล้างหน้าก็ได้บุญแล้วเวลาจะนอนหลับไปไม่หลับเฉยๆหลับบุญไปด้วยเวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่ตื่นเฉยๆตื่นขึ้นมาเอาบุญอีกด้วยเรียกว่าเอาบุญกันยังขี้ตายังอยู่ในตาแหละเน่เพราะฉะนั้นถ้าเราทาได้มากๆอย่างนี้จะเรียกว่าบุญมาก เมื่อเวลาไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งบุญเหล่านี้ก็เรียกว่าตามทรงตามทรงให้เราได้รับความดีความสุขความสบายความดีความสุขความสบายเราก็อยากได้เวลาเราได้เงินก็อยา ก, กให้มันได้เยอะๆแต่มันก็ไม่ได้เพราะว่าบุญแค่นั้นเราทำมาแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้น มันจะไปเอามากกว่านั่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราในชาตินี้เรารู้แล้วในชาตินี้เราก็ต้องทำโอกาสใดมีแก่เราเราต้องทำคนเรามันมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะที่สาคัญที่สุดก็คือการเข้าที่ขับขันเวลาที่เข้าที่ขับขันยอมจะทำยังไง อย่างสมัยที่อาจมาไปเที่ยวพุทงรถ้ปเจองูเข้าเวลาขับขันขึ้นมาทำไงนั่งขัดสมาึิแต่ตายตายหรืวว่านึกพุโทโธพุทโธเอาบุญซักก่อนจะตายเรียกว่าเวลาขับขันถึงเวลาที่ญาติโ ย, ายมทั้งหลายเดินทางไป เ, เกิดรถมันเจอมันหกคอมเมนเข้าเข้าที่ขับขัน เราต้องทำยังไงจับอะไรไว้ก่อนตน้องมีที่จับไว้ก่อนถ้าหากว่เวลารับขันแล้ว เ, เราไม่หาอะไรจับเราก็แย่สมัยเมื่อเราเมื่ออาตมานาพระธาตุไปเชียงใหม่เพื่อที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทาพระเนตรในครั้งแรกไปทางรถไฟรถไฟมันควา่า แต่ไม่ถึงความมันตะแคงไปมันก็เข้าที่คับขันแล้วทำยังไงก็ต้องรีบจับพนักอะไรให้ก่อนก่อนหัวมันจะคาดลงพื้นอย่างนี้เรียกว่าเวลาเข้าที่รับขันอย่างที่เราพากันอยู่บ้านอย่างนี้บางทีก็มีสิ่งที่เราจะต้องอถึงเวลาคับขันเยอะแยะจนเขาเรียกว่านาทีวิกฤต เมือนว่านาทีที่สยดสยองอบางทีรถวิ่งถดถดขึ้นมาเหยียบไปเลยเราเกือบตายไปอย่างนี้ขาขาดแขนขาดก็เรียกว่านาทีวิกฤตตัวของคนเรานั้นมีนาทีวิกฤตอยู่นาทีหนึ่งคือนาทีที่จะหมดลมหายใจตอนไหนที่ตอนมันจะหมดลมหายใจอะตอนนั้น่ะเรียกว่านาทีวิกฤต สำหรับชีวิตของแต่ละคนละคนให้พากันเข้าใจเถิดว่าเมื่อถึงนาทีนั้นขึ้นมาเมื่อไรเราจะยึดอะไรไว้ได้เราจะต้องถามตัวเราว่าถ้านาทีวิกฤตอันนั้นมาถึงเราเราจะยึดอะไรไว้ได้เราจะไปยึดเงินทองข้าขอเราจะไปยึดภรรยาสามี เราจะไปยึดลูกหลานไม่ได้ทั้งเส้นถ้าเราไปยึดสิ่งนั้นเมื่อไรเราจะต้องเป็นผู้แพ้เราไปยึดเงินทองเราก็ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยว่าเปรตงูเหลี่ยมเนี่ว่าไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตตาขาบอะไรเหล่านี้นอนเศร้าทรัพย์แล้วมันจะดีอะไร เดี๋ยเราคิดถึงลูกถึงหลานเดี๋ยวก็มาเกิดเป็นจิ่งจกทุกแกลูกหลานมันไม่รู้มันก็ไล่ตีเอาอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้นึกอย่างนั้นไม่ได้เมื่อนาทีวิกฤตมาเราต้องนึกถึงบุญบุญเราทำอะไรมั่งเราทำพระมหาเจดีย์เนี่ยเงิสูงที่สุดในประเทศไทยเนี่ย ที่ว่าทำมงคลฉันได้ทำฉันทําแล้วเท่านั้นเท่านี้ฉันนึกได้เพราะว่าเจดีมันใหญ่มันนึกง่ายก็เลยนึกได้คนนั้นก็เลยได้ไปสวรรค์เป็นอย่างนั้นเลวกว่านึกความดีได้ดีกว่าไปนึกสิ่งที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกังวลหรือว่านึกว่าเรารักษาศีลรักษาศีลเมื่อวันพระ เรานึกได้เพียงเท่านี้เราก็ได้ได้ไปสวรรค์แล้วหรือเรานึกว่าวัดธรรมมงคลเขามีบวชชีฉันไปบวชตั้งก้าวครั้งเนี่ยนึกได้ก็ได้ไปสวรรค์แล้วอย่างนี้เรียกว่านาทีวิกฤตถ้านาทีวิกฤตนั่นดันไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเข้าให้ความดีก็เลยหายไปก่อนเอาไวท้ทีหลัง ต้องไปรับกรรมชั่วที่ไน่ดีก่อนเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านทำบุญเก้าล้านเก้ากูดแต่พอเวลาจวนที่ท่านจะถึงแก่สวรรค์นะครบท่านขอเงินจากพระมาเสสี 4, 000, 9, 000ะนะ่พันเก้าหนาปันนะเพื่อฉันจะทำบุญครั้งสุดท้ายพระมะหาเสีเจะเลยบอกว่าก็เมื่อท่านจะตายแล้วรัเนี้ จะมาเอาเงินฉันต่อไปฉันจะไปเอาที่ไหนใช่ฉันไม่ให้หรอกเท่านั้นเองโกรธแล้วเอามีดม า, ามีดมาหัน่นคอมานเลยสิ้นใจสวรรคตไปเกิดเป็นงูทีนที้ทางฝ่ายผู้ที่ยังอยู่เขาบอกว่าคอยฟังนะเวลาพระเจ้าเอาโศกก็จะสิ้นลมอ่ะก่อนเทิดเทีจะตายเขาบอกว่า เราคอยฟังนะฉันไปถึงสวรรค์แล้วฉันจะไปตีกรองให้มันดังมาถึงเมืองมนุษย์ว่างั้นคอยฟังก็แล้วกันที่ไหนได้ไปเกิดเป็นงูซะแล้วทำไมชันต้องไปเกิดเป็นงูเล่าก็เพราะว่าโมเหอในตอนที่จะสิ้นลมอ่ะขอเงินเขาสี่พันไปทาบุญไม่ได้หน้อยแน่แต่ก่อนฉันให้เธอตั้ง ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคราวนี้จะขอเธอสักสี่พันมาทำบุญสักหน่อยไม่ได้ต้องหันคอมันแล้วกลดเต็มที่ก็เลยสิ้นลมอย่างนี้ก็ต้องไปเกิดเป็นงูทีนี้ทางฝ่ายลาดเช่ารถเมื่อเมื่อพ่อที่มีตาสวรรคตรก็จึงได้เล็งยานดูว่าเออคุณ <comp> ah. พ่อเราไปเกิดที่ไหน ราช บ, บิดามาเกิดที่ไหนพิจารณาไฟอ้าวแล้วกันเป็นงูอยู่ที่ค้างเธอหากินปลาอยู่นั่นเลยต้องไปแนะนำสอนงูว่ากาให้จำสินซะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าได้เพลกินจัดตัวเป็นเป็นอันขาดงูนั่นก็เลยจำสินห้า แล้วก็สิ้นใจเที่ยวนี้ถึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรอยู่ในชั้นสวรรค์อย่างนี้เพราะฉะนั้นนาทีวิกฤตหมายถึงว่าเราจะมีหนึ่งนาทีที่เราไม่หายใจนาทีนั้นเราจะสิ้นใจทันทีเขาเรียกว่านาทีวิกฤตเหมือนอย่างเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองลูกกระ บ, บิดมันตกตูมลงมา นาทีวิกฤตวิ่งกันขนาดหนักฉวยอะไรไม่ได้ยอมคนนึ่งต้องตาห ม, มากกินทุงวันทุงวันเนี่เลยฉวยได้แต่ะตะบันสากลืมวิ่งแต่ตะบันไปนั่นหมายความว่าสติขาดบางคนฉวยได้หมอลืมเข่าสารอย่างนี้เพราะว่าเสียงกลินใหญ่มันมาแล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่า คนไหนมีสติเขาก็เอาไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหมอ้อหรือ ว, ว่าสิ่งต่างๆเก็บเอาไปเพื่อที่ไปเป็นตัเบียงได้อย่างนี้เหมือนกับเรานาทีวิกฤตเราไม่รู้เราจะเป็นนึกอะไรนึกอะไรเราก็นึกไม่ได้มันถึงคราวจะสิ้นลมแล้วนึกไม่ได้อย่างนี้มันน่าน่ากลัวน่ากลัวมากเราท่านทั้งหลาย ต้องระวังน่ต้องมีสติไว้ตัองเตรียมไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อที่ว่าเมื่อถึงคราวแล้วเราจะได้แก้ไขตัวของเราทันเรียกว่านาทีวิกฤตนั้นเราได้แก้ไขแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพวกเราไว้ว่าอัตโนโจทยัตานังจงเตือนตนด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราเนี่ยเตือนตัวเราเองเพราะว่าการเตือนตัวเราเองนั้นเตือนได้ทุกนาทีชั่วโมงคนอื่นเขาเตือนเรานั้นนานๆเขาก็จะเตือนเราได้ทีหนึง่งนานๆก็จะได้ฟังเทศเทนึงนานๆเราถึงจะวันพระหนึ่งบ้างหรือว่าหลายๆวันพระบ้างอะไรเหล่านี้แล้วเราก็ลืมบ้างได้บ้างเสียบ้าง ส่วนเราตวนตัวเราเองนั้นเราตวนได้ทุกวันเตือนว่าวันนี้ทำบุญอะไรใส่บาตรเรือวันนี้ทำบุญอะไรรักษาศีลห้าเรือวันนี้ทำบุญอะไรภาวนาพุทธโธเ ร, รือวันนี้ทำบุญอะไรบริจาคทานแก่คนยากจนเรืออย่างนี้เป็นต้นเราก็เตือนเราได้อยู่ตลอด ตือนตัวของเราเองถ้าเราไม่เตือนตัวเราเองถึงนาทีวิกฤตรอให้คนอื่นก็ามาเตือนไม่ทันเตือนล็อกเราก็จะต้องไปทางไหนซะแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความหวังดีคือเราตนเป็นที่รักของตนแล้วไสเราก็จะต้องรักษาตนให้ดี อัตานันเจพิยังยัญญาอัตานางสุรักที่ตัง้งซึ่งแปลเป็นใจความว่าถ้าตัวเราเป็นที่รักของตัวเราแล้วไซ้เราก็จะต้องรักษาตัวเราให้ดีการรักษาตัวเราให้ดีนั่นไม่ใช่ว่าเราขึ้นไปป่าแป้งแต่งตัวแต่แล้วก็อยู่บนชั้นประสาปิดประตูหน้าต่างนั่งสบาย อย่บนนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ารักตัวไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ว่ารักษาตัวให้ดีและการรักษาตัวให้ดีนั้นถ้าใครรักตัวแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องมีศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาให้มีแก่ตัวของเราอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนทำอะไรเราก็ต้องคิดถึงความดีของเราไว เพราะว่าการเป็นที Thailand, ่พึ Kirby ่งนั้นตัวเราต้องหากเป็นที่พึ่งของตัวเราเองคนอื่นจะมาเป็นที่พึ่งของเราย่อไม่ได้ถ้าฉะนั้นถ้าหากว่าในขณะนี้เรารู้จักเตือนตัวเราเองเนี่ยเราจะนั่งสมาธิได้เยอะพอหากว่าเราไม่รู้จักเตือนตัวเราเองก็คุยกันได้เยอะสมาธิก็ได้น้อยถ้าเรารู้จักเตือนตัวเราเองเราก็คุยไม่เยอะ แต่ว่านั่งสมาธิเยอะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าทานังเทติการให้ทานศีรลัลคติการรักษาศีลภาวนานังพาเวตวาการเจริญภาวนาทั้งสามประการนี้เอกัจออันว่าคนบางพวกสักขังคัจจติก็ย่อมจะต้องไปสู่สวรรค์ เอกระโจอันว่าคนบางพวกสักครังคตเฉติก็จะต้องไปสู่พระนิพพานนิสังสยันติข้อนี้ไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างนั้นคือคนบางพวกจะได้ไปสู่สวรรค์บางพวกจะได้ไปสู่พระนิพพานเพราะเหตุคือการให้ทานรักษาศีลและภาวนาเพราะฉะนั้นในการทันสา ในการที่พวกเราพากันตั้งอกตั้งใจกระทำกันอยู่นี้จงพากันใช้ความอดทนจงพากันใช้ความบากบันอุสศะจงพากันใช้ความเพียรวิริยะให้ประกอบพร้อมในตัวของเราเราไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อสิ่งอื่นจะเป็นโลกกระทำแปดโลกกระทำสิบโลกกระทอะไร อำนิสนติชินอะไรกับช่างหัวใครแต่เราพ้สร้างความดีของเราไปแต่พุทธพูนังคนที่เราคนที่จะมาว่าเราเนี่อเราเป็นคนก็จะมาว่าเราเป็นหมามันก็เป็นหมาไม่ได้มันก็พูดผิดอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรเราใช้ความอดทนใช้กันต่อสู้ปฏิบัติไปไม่ต้องฟังอะไรทั้งสิ้น เพราะว่าทุกคนต่างคนต่างเป็นที่พึ่งของตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงพากันคิดให้ดีว่านาทีวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบมันแน่นอนเทสนาวาซเนาวาซานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาข้ออวยพร ให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวั น, นะสุขภะละอโลคยะปฏิพานธนสันสมบัติที่พัฒนมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยพระกรัอยาทาวาริวาหาพุราปริปุเรน ติสาขะรังเอวเมวะอิตโตทินังเตตานังอุปกะปพติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิจฉตุสพเพปเรนตุสังกปาจันทโทปนรารโสยถามณีโชติรโสยถา ส, าสพีติโยวิวัชันตุสพระโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุคีติขายูกุภาวะอภิวาทานาเซลิสนิจังพุทธาปจายโนจตารโอธมาวัฒนติอายุวันโนสุข้ังพระลัง